อาชาว์วันนี้ก็ก่อนิมนต์พระอาจารย์วัฒนชัยได้แสดงธรรมให้พวกเราฟังกอนิมนต์ครับ <c oughs> ข อ, อน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยข อ, อกาสเพื่อนสันามิทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนาะ ในเช้าวันนี้เราก็ได้สวดธรรมจักกัปปะราชสูตรนะอันี้พระสูตรนี้ถือว่าเป็น <c oughs> พระสูตรที่สำคัญที่สุดนะเป็นบ <c> ท <oughs> มมัทศนาของพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่เมื่อทรง <c oughs> ตัดสรูแล้วก็ได้พิจารณาผู้ใดที่เหมาะสมที่จะได้ฟังธรรมในเบื้องแรก <c oughs> ที่จะได้เข้าถึงธรรม <c oughs> ในสุดก็พิจารณาไปถึงปัญญวัคคีที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนมะมฤลคทาเยบันแล้วก็ทรง <c oughs> สเสด็จไปโปรดปัญญวัคคีนั้นซึ่งปัญญวัคคีนั้นที่หนีมาเพราะว่าเห็นพระเจ้าเนี่ยละความเพียรจากการที่อดอาหารทรมานตนนะเพราะนั้นปัญญวัคคีนี่นก็มีมีความเข้าใจผิดว่าหนทางแห่ง าการที่จะบรรลุธรรมนั้นก็คือการทรมานตนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในธรรมจักนี้ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงหนทางที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ว่ามีอยู่สองทางนั่นก็คือการมาสุขัาริการุโยคนะก็คือการที่เรามีการทําตัวให้สะดวกสบายนะแล้วก็อยู่กับกรามอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ อันเป็นหนทางที่เรียกว่ามันมันไม่ถูกต้องอเป็นทางต่ำนะนเป็นทางของปุถุชนนะเพราะนั้นผู้ใดที่จะต้องการบรรลุ ธ, ธรรมนะถ้าอยู่เช่นนั้นอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงความเพลิดเพลินไปในทางโลกียะทั้งหลายอันนั้นก็ไม่ไม่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นทางสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือการทรมานตนให้ลาบากต่างๆเนาะ เช่นการอดอาหารหรือว่าการทรมารรูยวิธีการต่างๆนะ อ, ะ อ, ะอาจจะยืนขาเดียวฝังพื้นดินนอนบนทรายนอนบนบนหนามนะหรือว่ายืนขาเดียวเอาเอามือชี้ฟ้าต่างๆนะหรือไม่ก็กํามือ <c oughs> จน <c oughs> <c oughs> เล็บงอกขึ้นมาะทะลุหลังมือต่างๆเป็นต้นซึง่ง <c oughs> เป็นที่นิยมของนักบวชในสมัยนั้นมากนะว่านี่เป็นหนทางการพุทธุพุทธนะพอทําแล้วก็เหมือนกับว่าได้ทรมานตนให้ลําบากจะได้เป็นการไถ่ไถ่โทษไ <c oughs> ถ่กรรมเก่าต่างๆนะแล้วก็เป็นการทําให้พระเจ้าพอใจนะถึงไม่ก็ <c oughs> หนทางนี้นะก็น่าจะเป็นทางที่เรียกว่าหลุดพ้นได้นะ เพราะว่าทำให้กิเลสต่างๆลดน้อยลงนะฮะ น, นี่ก็เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าก็เลยเสนอว่หนทางทางสายกลางซึ่งไม่สุดตรงไปในสองทางนั้นนะว่าทางนี้นั่นหละถ้าไปบฏิเนินทางนี้แล้วก็จะเป็นหนทางแห่งการพุทุด้าทิแทจริงนะหลังนั้นก็ทรงแสดงอ ร, ยอริยรสัจสี่อริยรสัจ4นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดว่า <c oughs> ที่พระพุทธองค์ได้ทรงเวียนว่ายตายเกิดนับพุทธนับชาติไม่ท้วน <c oughs> นั่นก็เพราะว่าทรงไม่รู้จักอริสัทธสีนั่นเองนะแต่ว่าการที่ได้ทรงตัดสรูนนั่นแหละ <c oughs> ก็คือการตัดสลุ น, นลอริยสัทธ์สีนั่นเองอริสัทธ์สีนั้นนะก็มีการเริ่มต้นด้วยด้วยความทุกข์นะคําว่าอริยสัทธ์นี่หมายความว่าความจริงนะ นะคําว่าสัจจะคือความจริงเรื่อสัจก็คือความจริงประเสดสีประการซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแน่นอนเนาะความจริงประการแรกก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะ่ซึ่ ง, ซ, งซึ่งปรากฏกับพวกเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราเราเห็นไหมนะเรารู้รู้จักเขาไหมตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่พุทธได้ทรงชี้กลับมาให้พวกเราได้รู้จักความทุกข์นี้ ค่ะว่าพราะพุทธองค์ไม่ทรงชี้กลับมาเราก็จะไม่เห็นความทุกข์นี้จริงๆนะก็คื อ, อชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์นะมรณะปีตุขังอาชลาปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกขนะ์โสกกระปริเทวทุกขโ ท, โทมนัสสุปายาสาปีทุกขา <c oughs> ความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพรดผจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ <c oughs> ว่าโดยยอ่ออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์เนาะ <c oughs> ก็คือได้ทรงชี้ว่าความทุกข์นี่แหละมันมันเป็นของที่เรียกว่า เราจะหนีมันไม่พ้นนะมันมีอยู่แน่นอนแล้วในร่างกายจิตใจเรานี้ก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วนะก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นความทุกข์ประจำสังขาร น, น ะ, ะต่อมาก็ทรงชี้ในเรื่องความทุกข์ต่างๆอีกมากมายที่ว่าเราสามารถที่จะประสบได้นะความผิดหวังความน้อยใจความเสียใจการพัดพลาด ก, การประสบกับสิ่งไม่รัก การหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์ในสุดก็ทรงสรุปว่าอุปทานในขันทั้งห้านี่แหละก็คือตัวทุกข์ <c oughs> คําว่าขันทั้งห้าก็คือกายและใจนะขันทั้ห้าก็มีรูป <c oughs> เวรานาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายเวรานาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็คือใจก็คือกายและใจเนี่ยก็คื อ, อเป็นความทุกข์นะนะ ครั้นี้ก็มีคำว่าอุปทานอยู่ด้วยอุปทานก็หมายถึงว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นนะว่ากายและใจนี้เป็นตัวเป็นตนของเรานะอันนี้ก็คือประเด็นอีกอย่างเรี่ว่าได้ทรงแสดงต่อมาเพื่อให้ถอดถอนอุปทานตัวนี้ให้ได้เมื่อถอดถอนอุปทานว่ากายและใจอนี้เป็นตัวเป็นตนของเราก็จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะนั้นก็เลยทรงได้พูดไว้ในตรงนี้ว่าอุปทานขันทั้งห้านี่แหละก็คือตัวทุกข์นั่นเองเนาะ อันนี้นะก็มีความทุกข์อย่างไรนะความทุกข์ในทางกายนะเมื่อเรามีกายมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาที่เราหนีไม่พ้นนะนะบางทีเราเราคิดว่าเรามีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ที่ความเข้าใจเราไหมใช่ไหมบางคนไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่เห็นความทุกข์เขาก็ไม่อยากมาปฏิบัติธรรมนะแต่จริงๆแล้วเราเห็นไหมเพราะความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นไหมใช่ไหม บางที่เรานั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะรู้สึกปวดเมื่อยนี่ก็เป็นความทุกข์นะะหรือเรารู้สึกง่วงนอนก็เป็นความทุกข์นะหรือเราหิวหิวก็มีความทุกข์นะหรือเราหนาวก็มีความทุกข์ <c oughs> นี่ยก็คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรา <c oughs> เราสามารถเห็นเขาได้ไหมใช่ไหมบางคนบางคนไม่เห็นก็บอกว่าเราไม่เห็นมีความทุกข์เลยเพราะฉนั้นเราก็ไม่อยากปฏิบัตนะิธรรมในจริงๆมันเป็นสภาวะที่เราเห็นได้ใช่ไหมว่ามันปรากฏขึ้นมาจริงๆ ความทุกข์ในทางกายนี้มันแก้ไขไม่ได้นะมันแค่บันเทาทุกข์เท่านั้นเองนะอย่างเราเราเราเมื่อยเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาเดินมันก็หายหายแล้วเดินเมื่อยก็ต้องเมื่อยใหม่ก็ต้องกลับมานั่งใหม่นะหิวไปทานอาหารไว้ก็หิวใหม่ก็ต้องไปทานใหม่นะง่วงไปนอนไว้ก็ง่วงใหม่ก็ต้องไปนอนนะก็คือมันเป็นแค่บันเทาทุกข์เท่านั้นเองนะความทุกข์ในทางกายนะมันมันไม่อาจที่จะจบเด็ดขาดได้ อีกอย่างนึงคือความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ในทางใจก็คือเป็นสิ่งที่มันอันตรายไร้ากาดที่นําให้เราไปฆ่าตัวตายได้เนาะความทุกข์ทางใจนั้นถึงมันจะร้ายกาดขนาดไหนแต่มันก็สามารถที่จะดับได้เด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นพระ อ, อรหันต์นี่ท่านก็ดับความทุกข์ในทางใจได้เด็ดขาดแล้วนะแต่ความทุกข์ในทางกายท่านก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นการปฏิรธรรมก็คือเรากลับมาที่จะแก้ความทุกข์ในทางใจกันใช่ไหม เมื่อเราสามารถดับทุกข์ในทางใจได้แล้วนั่นแหละเราก็บรรลุเป็นพระรหันต์ถึงพระนิพพานเราไม่ได้ดับทุกข์ในทางกายนะแต่เราดับทุกข์ในทางจิตใจของเราครา้นี้เราจะดับทุกข์อย่างไรนะประการแรกเราเห็นทุกข์นะถ้าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่ไดิ้ลรนเราจะความทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เห็นทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวแรกที่เราว่าพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักความทุกข์แล้วก็กิจที่เราต้องทำกับความทุกข์นี้คืออะไร ที่ต้องทํากับความทุกข์นี่ก็คือพระวิจ้ารณ์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะคือปริญญาคือเป็นสิ่งเราต้องรู้นะเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรารู้นะในตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยว่าเราเร า, เรารู้ไหมแต่มาถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ดิ้นหล่นออกจากความทุกข์ให้ได้นะคราน้นี้ต่อไปก็คือความจริงอีกข้อหนึ่งก็คื อ, อสมุทยัยนะคือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะ แตเหตุการณ์เกิดทุกนี้นะมันมีอะไรบ้างนะก็คืออยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคสหาตาตัตราพินันทินนะีก็ได้แก่ตันหานะตันหานี้แหละก็คือเป็นเหตุนําให้เรามีการเกิดใหม่นะเป็นความกําหนัดนะเป็นความเพลิดเพลินอย่างยิ่งนะไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเสยยทีทางกามตันหา การมตันหาก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะธรรมลมนะก็คือการที่เราเพลิดเพลินไปในรูปนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจนึกคิดไปนะต่างๆนาน า, า, า, า, านี่แหละนะเพราะนั้นการที่เราอยู่ในการมตัญหาก็คือเราเพลิดเพลินใ น, ในสิ่งเหล่านี้นะมันก็นาให้จิตใจของเราเนี่ยไปปรุงแต่ง เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างพเพราะใจเราเพลิดเพลินไปในการมตัญหานั่นเองนะตรงนี้ก็คือมันเข้ามาสู่ที่ว่าการมาสุ ข, ขหรือการนโยคนั่นเองนะส่วนมากเราจะเพลิดเพลินไปในรลมต่างๆเรารู้ไม่เท่าทันก็เกิดความกำหนัดความยินดีเหล่านั้นนี่ก็คือสาเหตุในการเกิดทุกข์นั่นเองนะอันนี้ก็เมื่อเราปรารถนาสิ่งใดจากที่เราเห็นรูปหรือได้ยินเสียงแล้วเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์นี่แหละนี่แหละคือ สมุทัยนะเพราะมีความอยากได้จากการเพิดเพลิในสิ่งเหล่านั้นเนาะ น, นี้ต่อมาก็คืออันที่สองก็คือภาะวะตัณหาก็คือการที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายนะคือความที่เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ทั้งหลายแหล่นะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อเราปรารถนาสิ่งต่างนั้นแล้วนะเมื่อเราไม่ได้เราก็เป็นความทุกข์อีก เพราะว่าคนเราเมื่อ <c oughs> อยู่ในทางโลก <c oughs> เราก็มีความปรารถนามากมายใช่ไหม <c oughs> อยากได้เงินได้ทองอยากมีชื่อมีเสียงนะต่างๆ่างเราเนี้ยเราก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องดินน้นรนหาสิ่งเหล่านั้นมาไม่มีที่สิ้นสะุดนะแต่มาปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะได้นู่นได้นี่เหมือนกันนะอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆต่างๆเหล่านี้นะจิตเราทีเา่เราอยากได้ <c oughs> อะไรเร็วๆแล้วเร า, เร า, เราทําด้วยด้วยความมุ่งมั่นเนะต็มที่มากเกินไปนะ มันก็เป็นตันหาอีเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเราอย่างเรามาปิดประธรรมเราว่าอยากจะได้อ่าอยากจะได้ตามเราต้องการเมื่อเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์นะแต่เมื่อเราได้แล้วเราก็มีความทุกข์อีกเพราะมันก็ไม่ไม่เที่ยงนะมันก็มันก็ไม่ใช่มันได้ทีเดียวมันก็กลายเป็นความไม่เที่ยงเราก็มีความทุกข์อีกนั่นก็คือความที่เราปรารถนาอย่างใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรามีภาวะตันหาเราก็ต้องรู้เท่าทันในตรงนี้ให้ได้ เราไม่ได้ไปฏิบัติธรรมเพื่อตัณหานะแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นฉันทะมากกว่านะฉันทะคือความพอใจนะความยินดีในการปฏิบัติธรรมนั้นก็พอแล้วนะส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราก็วางใจให้เป็นเบกขาได้นะตรงเนี้ใจเราก็สบายในการปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปโดยใจที่มันสบายโดยความพอใจแล้วเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เนาะ ใจเราก็ไม่ได้นลนอะไรมากมายใจที่ไิน้ลนต่างๆนั่นแหละจะนําความทุกข์มาให้เรานะต่อมาก็คืออันสุดท้ายก็คือวิภาวตัญหาก็คือการที่เราผนะักใสในสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบใจนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะนะอารมณ์ต่างๆที่ไม่ชอบใจเช่นความโกรธต่างๆความห ง, งุดหงิดความขัดเคืองนะเราไม่ชอบใจเราก็ผักใสเขาไปจัดการเขาต่างๆเหล่านี้นะ หรือเราเป็นอะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วก็ผักใสไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่เราว่าเรามีการดิ้นรนในใจเหมือนกันที่มาดิ้นรนในการผักใส่ดิ้นรนในการอยากได้ อ, อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาดิ้นรนในการผักไสก็เป็นวิภาวะตัณหาอันนี้มันก็เป็นความทุกข์เป็นสาเหตุการเกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสาเหตุการเกิดทุกข์แล้วเราจะได้รู้ว่า aga, สาเหตุมันเป็นอย่างไรเนาะคราวนี้ นะกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับสมุทยหรือสาเหตุการเกิดทุกข์คืออะไรเราจะบอกว่าให้ละเสียนะให้ละตัณหานั้นนะละตัณหาคือละอากามตัณหาละภวะตัณหาละวิละวิภา ว, ะวะตัณหาเขาจะละได้อย่างไรนะก็มาสู่นิโรดนิโรธก็คือการดับทุกข์นะคำว่านิโรดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความหมายที่ว่าลึกซึ้งนะบางคน ปรารถนาพรนะพนิพพานนะพระนิพพานแต่คำว่าเข้าใจคําว่านิพพานนี่ไม่ถูกต้องนะหรือว่าเป็นของที่เรียกว่าเราไม่น่าจะเข้าถึงได้ใช่ไหมบางทีก็เลยมีคำกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินนะหรือไม่ก็นิพพานเป็นพบเป็นภูมิอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบ้านเป็นเมืองอะไรเราเนี่ยตรงนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะ่ารำกายเป็นเรื่องยากไป ครนี้จริงๆแล้วนะการที่เรามาเข้าสู่ศาสนานี้มีหลักเพียงสอประการเท่านั้นก็คือประการแรกให้เรารู้จักความทุกข์ประการสุดท้ายก็คือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นนะเมื่อเรารู้จักความทุกข์ก็ปฏบเพื่อความดับทุกข์นั้นครนี้สังเกตไหมจุดเป้าหมายสูงสุดในพระศาสนาก็คืออะไรก็คือการปฏิบัติถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองก็คือการดับทุกข์นั่นเองเพราะจริงๆแล้วการดับทุกข์นี่แหละก็คือพระนิพพานเนาะ การดับทุกนั้นมันไม่ใช่ว่าไปไปดับในนาคตรการเบื้องหน้าโน้นเทินนะแต่มันต้องดับในปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันชาตินี้หรือจริงๆแล้วก็ปรแปลที่นี่อันดับขณะ น, นี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองใช่ไหมนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงเพราะเมื่อเราดับทุกได้มันก็เข้าสู่นิโรธแล้วนะขานินโรธนี้จึงมีการกล่าวเอาไว้ตรงนี้ว่าโยตัสสาเยวะตันหายะอาศสาววิลาคะนิโรโทรจาโคปนิสสะโคมุติอนารโย การคำว่า น, นิโรดแปลว่าดับนะทุกข์ น, นิโรด ก, ก็แปลว่าการดับทุกข์การดับทุกข์ก็คือประการแรกให้เกิดวิราคะก็คือการคลายออกจากตัณหาเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปบัติธรรมไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเออจิตเราก็เริ่มคลายออกจากตัณหาบ้างแล้วนะคลายจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นคลายจากการยึดติดต่างๆนะคลายจากการที่เราปรารถนาสิ่งต่างๆที่ว่าเราจะผักใส่เขาหรือเราอยากได้เขา นะมันเป็นการที่เล้มันคลายออกนะจากการยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมทุกอย่างนะในสิ่งต่างที่เรารู้ทันมันก็เกิดการคลายออกนี่าะมันก็เข้าสู่เวลาฆานะเพราะฉะนั้นเวลาฆาจึงเป็นเป็นตัวแรกที่ว่าเราสามารถที่จะคลายนะคลายออกจากตันหาได้บ้างไหมนะหลังนั้นก็เป็นอันนี้โลโทก็คือการดับไม่เหลือของตันหานั้นนะจาโคการสลัออกปฏินิสโคสคือการสลัดคืน มุติคือการปล่อยกันวางอนารโยคือการทําให้นะตัณหาไม่มีที่อาศัยนะก็คือเป็นจริงๆแล้วทั้งหมดนี่ก็คือการละตัณหานั่นเองนะเพราะฉอย่างที่กล่าวแล้วว่าสาเหตุการเกิดทุกข์ก็คือตัณหา3เพราะฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ก็คือดับตัณหาสามนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนิโรธ ก, ก็คือการดับตัณหานะครา้ น, ะนี้นะ กิจของนิโรธคืออะไรนิโรธกิจนิโรธก็คือการทําให้แจ้งนะก็คือทําให้นิโรธนี่แหละคือการดับทุกข์นี่ทำให้แจ้งก็คือเราต้องรู้จักตัณหาแล้ว เ, เราก็ดับตัณหานั้นนะตัณหานี้จริงๆแล้วคือคําที่มันกว้างมันคุมในกิเลสทั้งหมดนะตัณหามันคุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงนะหรือราคะโทสะโมหะทั้งสตัวนี้มันก็คือเป็นรากใหญ่นะเป็นรากใหญ่หรือไปเป็นหัวหน้าหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายนะ อย่างเช่นโทรสารมันก็คุมหมดเลยนะโทรสารนี่มันรวมทั้งความโกรธความพยาบาทความเกลียดนะความบิดฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความหงุดหงิดนะก็คือคุมในทั้งหมดที่เป็นอาการอาการของทางลบนะที่นําความทุกข์ต่างๆให้เราน่ยมันคุมทั้งหมดนะราคานะมันก็คุมทั้งหมดในความยินดีต่างๆนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะ ความพอใจนะความรักนะคือคุมในในด้านบวกนะคือจิตที่เรามันฟูขึ้นนมันก็คุมนตรงนี้ก็คือราคาทั้งหมดเลยนะความหลงก็คือเราไม่รู้นะก็คือความหลงที่เราไม่รู้อะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะกายไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้ฟังอยู่ก็ไม่รู้ใจคิดนึกไปก็ไม่รู้ใจโกรธก็ไม่รู้นะเพราะนั้น ตรงที่มันเป็นความหลงเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่นะเป็นเป็นเป็นกิเลสตัวใหญ่ที่มันหลงไปปุ๊บเราก็หลงไปเขาเรียกว่ามันหลงมันก็ไหลไปใช่ไหหลงมันก็ไหลไปไหลไปในอะไรเมื่อหลงแล้วก็ไหลไปในความโกรธหลงแล้วก็ไหลไปในความรักหลงแล้วก็ไหลไปในความชังนี่ก็คือเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นก็ไหลไปทางโทสะแล้วก็ทางราคะได้เนาะเพราะนั้นความหลงนี่จึงเป็น ตัญหาตัวใหญ่นะที่ว่าเรามีแต่ความหลงทั้งนั้นนะเราก็ต้องละความหลงให้ได้ละอย่างไรก็คือเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเองใช่ไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นแหละเพราะว่าเราหลงไปไม่รู้กำลังทําอะไรอยู่นะตัวนี้ความหลงทั้งนั้นเลยไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้เริ้ ม, มรู้ตัวนี่แหล ะ, ะคือความหลงนะเพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือการที่เรากลับมารู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันกําลังเกิดอะไรขึ้นในกายเรา เรานั่งนะเราก็รู้เรากําลังนั่งพลิกมือก็รู้ ก, กลาลังพลิกมือได้ยินก็รู้กลาลังได้ยินถ้ามาหรือคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในใจเราความรักความโลภความโกรธความหลงเราก็รู้ทันนี่แหละตรงนี้มันมันจึงแก้ความหลงได้นะเพราะจริงๆแล้ววิธีการแบบของเราเนี่ยเป็นการแก้ความหลงได้ตรงๆเลยอันนี้คือเราทํานิโรธให้แจ้งขึ้นมาเนาะ เมื่อเราสามารถทําในตรงนี้ได้แล้วนะมันก็คือการดับทุกข์หรือว่าถึงผลิพานได้ในชาปิบันนี้แหละไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่อย่างใดเนาะครวนี้ก็มาตัวสุดท้ายก็คือความจริงก็คือมรตมีองแปดนั่นเองที่ว่าตรงเนี้ย เ, เป็นทางสายกลางที่พระเจ้าได้ให้ให้พวกเราชาวพุทธ ด, ดาเนินไปในหนทางนี้ทางสายกลางมีอะไรก็เรียกว่ามรตมีองแปดนะก็ได้แก่อันดับหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิก็คื อ, ค, อความเห็นชอบ นะเช่นเห็นในอเลสสัสสนะนะต่อมาก็คือสัมมาสังกปโปก็คือการดับริชชอบนะเช่นดับดิในการออกจากการนะต่อมาก็คือสัมมาวาจาเจรจาชอบนะสัมมากรรมโตการทําการงานชอบสัมมาอาชีโวโนอะคือการมีอาชีพชอบการเลี้ยงชีพในชอบสัมมาวายญโมคือมีความเพียรชอบสัมมาสติก็คือ มีการระลึกชอบสัมมาสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นชอบนะอันนีนะ้ถ้ายากเป็นยอดยอก็คือศีลสติสมาธิปัญญาศีลนะก็มีนะสัมมาวาจานะสัมมากัมมันโตนะการทำการงานชอบสัมมาชีโวนะการเลี้ยงชีพชอบนะนี่ก็จัดอยู่ในกลุ่มศีลห้านั่นเองนะนะสัมมานะสติก็มี สัมมาสติก็คือการระลึกชอบนั่นนี่แหละที่เรามาเจริญสติขันนั้เป็นเป็นหลักสําคัญเลยในการเจริญสติเนาะถ้าเรามีสติปับเราก็จะได้ศีนได้สมาธิได้ปัญญาเป็ น, ปนตัวนะเพราะคําว่าสติเนี่ยถือว่าเป็นระดับหนึ่งนะในการที่จะดำเนินในมรรคมีถต่อมาก็คือนะสมาธินะสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบคำว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่ว่าจิตเราสงบนะอันนั้นยังไม่ใช่เป็นแค่ความสงบ แต่คําว่าสัมมาสมาธิหมายถึงว่าจิตตั้งมั่นชอบนะในตามมากเมียงแบบคําว่าจิตตั้งมั่นชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปบวชทำแม้แต่การเจริญสติแล้วเราอาจจะเดินจงกรมหรือยกมือสั่งวักมันก็จิตตั้งมั่นได้ใช่ไหมมันไม่ว่ามันไม่มีสมาธินะเพราะการที่เราเจริญสติมันจะเกิดสมาธิในตรงนี้เพราะเราจิตเราตั้งมั่นชอบแล้วเราเห็นว่าเออเราไปบวชรมแล้วจิตมันตั้งมั่นนะเราจะรู้เลยจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันสามารถตั้งมั่นได้เลย เพราะมันไม่ต้องว่าไปต้องหาที่นั่งสมาธิจิตสงบแต่อย่างใดนะเพราะการที่เจอสติเนี่ยมันเป็นเหตุให้จิตมันตั้งมั่นได้อยู่แล้วนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปัญญานะปัญญาก็อยู่ในข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็มีความเห็นชอบแล้วก็สัมมาสังกัโปโต ค, คือการดาริดชอบนั่นเองนะก็คือรวมโดยสรุปว่าคือศีลสติสมาธิปัญญานะเนี่ยเมื่อเราทําในหนทางเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเกิดนิโรธคือความพ้นทุกข์ได้ เพราะนั้นในกิจของอมรคเมียงแปกก็คื อ, อทําให้เกิดขึ้นนะเราก็ต้องทอํามรคเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะดําเนินไปสู่นิโรธก็คือการพ้นทุกข์ได้นั่นเองนะอันนี้ก็คือผลทานทิโรวาเรามาเจริญกันเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญในมรคเมียงแปดนี่แหละมันก็ครอบคลุมในทุกเราทั้งหมดที่ว่าเราสามารถล ะ, ะความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะครัน้นี้มันก็มีข้อเจริญสตินิดนึงก็ จะเสริมไปตรงนี้นิดนึงจะได้ว่าเราเดินถูกต้องไหมบางคนบอกว่าวิธีการนี้มันถูกต้องไหมนะจริงๆแล้วเมื่อใหม่ๆอาตมา ก, ก็สงสัยมันถูกต้องหรือเปล่าแต่เมื่ อ, อปฏิบัติธรรมไปแล้วเรามามีความเข้าใจก็มาศึกษาในพระไตรปิฎกมันก็ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างที่กล่าวในสติปัฏฐานสี่บอกว่ายี่คือการจิญวสัเริ่มด้วยกายนะ ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งรู้นั่ ง, OUR, น, ง, น, ง, น, งนอนให้รู้ว่านอนตรงนี้เราก็ทําถูกต้องแล้วนะเราเดินจงกรมกันเดินก็รู้ว่าเดินนี่แหละมันก็ถูกต้องแล้วนะเพราะนั้นเมื่อเราสามารถเดินยืนนั่งนอนได้ตรงนี้มันก็ถูกต้องนะประกายแรกเราเดินจงกรมไม่ผิดแล้วนะประการที่2ก็คือใ น, ะนบทย่อยต่างๆนะบอกว่าในสมยตมชัญยปัพร ะ, พะเหลียวซ้ายไล่ขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังคาติ ดืมลิ้มกินเเคี้ยวอุจจาะปัสสวะก็ให้รู้สึกตัวอันนี้น่ยตรงนี้เราทําถูกต้องเลยนะอะก็เรามาคู่แขนเหยียดแขนยกมือสร้างขวานี่ก็คือการคู่แขนเหยียดแขนก็คือเราเรารู้เท่าทันไหมขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่คู่แขนเหยียดแขนถ้าเรารู้เท่าทันนี่เป็นการจริตสติแล้วเราก็ไม่ได้หลงไปใช่หไหมเราคู่แขนเหยียดแขนนี่เราก็รู้สึกตัวได้นี่เรามันไม่หลงพลิกมือความมือนี่ก็เนี่ยเราทําอีกบทย่อยเรารู้สึกตัวได้ใช่ไหม ตรงเนี่ยก็คือเราจะนาทําขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ไปทไําในต่อเนื่องในชีวิตประจําวันเราใช่ไหมอ่าถ้าเราทําตรงนี้นได้แล้วอีกหน่อยเราไปอ า, อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้ า, าดื่มน้ำใช่หรือไม่ก็ใส่เสื้อผ้าอุจจะละัปัสวะทานอาหารเราก็รู้สึกตัวได้ใช่ไหมมันอยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือเหตุให้เราไปรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนั่นเองใช่ไหมไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วมานั่งยกมือทั้งวันอันนี้เราไม่มีเวลานีแล้วก็ ตรงนี้เราก็ใส่ในรูปแบบนี่เราเป็นการทําให้ต่อเนื่องแล้วเมื่อเรากลับบ้านแล้วก็อยู่ในจิตจํามันของเราได้เพราะาเราไ ด, ได้ฝึกมาแล้วในการที่เราเราสามารถที่จะอยู่กับอิบทใหญ่หรือบทย่อยก็คือยือดแล้วนั่งนอนแล้วก็อิบทย่อยต่างๆที่เราได้ฝึกมานะมันเป็นการทําให้ต่อเนื่องกันนะเมื่อเราทําตรงนี้จิตก็จะเกิดการรับรู้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเมื่อจิตเกิดการรับรู้มันจะสามารถรับรู้สิ่งที่จําหยาบได้นะต่างๆเราเนี่ยที่เราฝึกมา มันก็จะไปรู้จิตใจที่ละเอียดได้ด้วยจากการที่เรารู้ร่างกายนะเราสังเกตดูว่าเมื่อเรารู้ร่างกายแล้วมันเป็นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําอะไรก็ได้ตีตียกมือพิกมือเล็กๆ ล, ก ล, ก ล, ก ล, กลกน้อยน้อยครึงนิ้วเนี่ยเล็กๆน้อยน้อยแค่เองเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็รู้สึกตัวมันเกิดมาได้แล้วใช่ไหมจากการเรารู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นเหตุให้เราไปสังเกตจิตใจเราได้ใช่ไหม จิตใจแล้วนี้นะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเราเราจะไปเอาจริ ง, องเอาจังกับเขาไม่ได้นะไปคอยจ้องดูเขาเออมีความคิดเราจะรู้ทันมีความกลัต้องรู้ทันนั้นเนี่ยเราไปไปตั้งใจมากเกินไปไม่ได้มันจะไ ป, ไปเพ่งไปจ้องแล้วมันจะเกิดความเครียดความตึงนะแต่วิธีการง่ายๆที่เ ร, เรากลับมาสังเกตจิตใจตรงนี้ได้เราก็กลับมารู้สึกตัวนะเมื่อเราอยู่กับร่างกายต่างๆที่เราทําขึ้นมาเองนี่แหละ เราจะสังเกตจิตใจเราได้นะจิตใจเราเป็นอย่างไรเราจะเริ่มรู้ทันขณะนี้มีความคิดนะเรารู้ทันแล้วใช่ไหมรู้ทันได้ไวมากใช่ไหมมันมีความคิดรู้ทันเลยรู้ทันเลยนะเมื่อรู้ทันแล้วมันดับไปนะหรือไม่ไม่ดับเราก็รู้ทันเลยมันกำลังคิดเลยเราก็ดูแล้วก็รู้ได้กําลังคิดเรื่องอะไรเราก็เห็นหมดเลยนะเมื่อก่อนเราไม่เห็นหรอกตรงเนี้ก็คือเรากลับมารู้รู้ใจเราใช่ไหมเมื่อเราสามารถสังเกตความคิดได้เห็นความคิดได้ ตรงนี้คือประเด็นสําคัญเลยหลวงวโรธทิมบอกว่าผู้ใดเห็นความคิดผู้นั้นได้ต้นทางของการบัตรธรรมแล้วเพราะว่าอะไรเมื่อเราเห็นความคิดได้เราจะไปเห็นอารมณ์ต่างๆได้นะความโกรธก็คือเกิดจากความคิดนั่นเองเนาะอ่าเช่นมีใครเข้ามาด่าแล้วนะถ้าเรารู้เฉยๆเราก็ไม่โกรธหรอกแต่พอเราคิดปับ๊บเออด่าทําไมเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาด่าเรานะเราไม่ทําผิดสักหน่อยด่าได้อย่างไรนะพอเราคิดปุ๊บมันจะเริ่มโกรธทันทีมันจะเป็นความโกรธตามมาเลยนะอะ พอเราเรารู้ไม่ทันมันเราก็ไปคิดต่อนะพอเรารู้ไม่ทันความคิดมันจะไปปรุงแต่งอนะเป็นความคิดเป็นความไม่พอใจไป <c oughs> หรือใครมาขับรถปาดหน้ารถเราปับ๊บนะถ้าเรารู้เฉยเราก็ไม่โกรธหรอกนะแต่เราอนะใครปาดปุ๊บเราก็ไปคิดนะเนี่ยนิสัยไม่ดีปาดรถนะปาดหน้าเราไม่เบรกก็ชนแล้วนะ่ะนิสัยแย่มากนะแล้วก็นึกด่าไในใจนะมันก็ตรงเนี่ยแค่เราไปคิดมันก็เป็นความโกรธแล้วนะ เพราะนั้นจริงๆแล้วความโกรธเรือลมต่างๆความรักความชังอารมณ์ทั้งหลายแหละมันเกิดจาความคิดทตรงนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดสังเกตความคิดได้ไวนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่เรียกว่ามันจะไปดับอารมณ์ต่างไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันยาวต่อไปนะมันเหมือนกับว่าบ้านเรามันจะมีน้ำนะไหลเข้าครัวบ้างเข้าห้องน้ํอ่าหรือไหลไปตามทิศทางมันก็มาจากวาลนะวาลเปิดปิดอ่าที่นอกบ้านเรานี่แหละ ครัขข้นถ้าเราคุมเบาวตัวนี้ได้ใช่ไหมเราป awesome. eh. <narrative>. like ิดวาปุ wow. <behind>. ๊บน้ํามันก็ไม่ไหลไปในส่วนต่างๆได้เพราะฉะการที่เราสามารถเห็นความคิดได้ก็เหมือนเป็นวาวน้ำนะเราก็สังเกตได้เออตอนนี้มันจะโกรธมันจะรักมันจะชังเราสังเกตได้หมดเลยนะเพราะว่าเราสังเกตความคิดได้ก็เลยสังเกตจิตใจเราได้นะเมื่อเราสังเกตจิตใจเราได้เช่นเนี้ยจากการที่เรามีความทุกข์เพราะความโกรธมั่งความเกลียดต่างๆมากมายตรงเนี้ยเมื่อเราสังเกตได้มันก็จะลดลงความโกรธจะลดลง หรือไมก่ก็หายไปเลยตรงนี้ก็คือการที่มันดับทุกข์ได้ใช่ไหมเมื่อมันดับทุกข์ในตรงนี้ได้ความสุขมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั่นมันก็เกิดจากการที่เราเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวนี่แหละมื่อรู้สึกตัวเป็นของอยากมันก็สังเกตความละเอียดคือจิตใจเราได้เมื่อสังเกตจิตใจที่มันละเอียดได้มันก็จะไปรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้ด้วยเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้อารมณ์ต่างๆก็จะลดลงลดลงนะเพราะอย่างที่ว่ากิเลสทั้งหมดนะอารมณ์ทั้งหมดกิเลสทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้กลัวอะไรเลยมันกลัวการรู้ทันเท่านั้นเองใช่ไหมกลัวการรู้ทันนะอย่างที่ว่านะทุกเนะ่ยอันส ม, มุทัยตัวแรกคือทุกทุกคืออะไรทุกคือให้รู้ใช่ไหมทุกนี่แหละคืออรารมณ์ต่างๆที่มันอ่าเช่นความโลภความโกรธความนี่ก็คือความทุกข์เพราะฉะนั้นในส ม, มุทัยตัวแรกคือความทุกข์นี่แหละก็คือพระพุทธเจา้าบอกให้เรารู้ความทุกข์นะเ <c oughs> มื่อรู้แล้วมันก็จะดับเองนะเราไม่ต้องไปละมันเลยดับนี่เป็นะละคือไปละตัณหา แต่ทุกเนี่ยใช่เรารู้มันก็จะเบาลงไปแล้วนะหรืออารมณ์ต่างๆที่ว่ามากิเลสทั้งหลายก็คือเรารู้ทันมันก็จะดับมันก็จะน้อยลงไปแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสทั้งหลายนั่นก็คือจิตใจที่มันเป็นดงดวงคําว่าดงดวงหมายความว่าจิตใจมันจะเกิดดับในแต่ละขณะแต่ละดวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกินเลสทั้งหลายเช่นความโกรธอันนี้ก็คือโทสะเป็นต้นมันก็คืออกุศลจิตซึ่งเป็นดวงของอากุศล เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันขณะนี้มีความกลัรู้ทันนี่ก็คือสติสตินี่คือกุศลจิตเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วอกุศลจิตก็เลยดับไปเพราะว่าจิตมันจะเกิดได้ทีละดวงเท่านั้นเอง่มาเมื่อเกิดกุศลปั๊บคือการรู้ทันอกุศลทั้งทั้งหลายแหละก็จะดับไปนะนี่คือสภาวะธรรมที่เป็นความจริงนะเพราะกานที่เรามาเจริสติหมายความว่าเรากลับมารู้กายรู้ใจนี่แหละตรงนี้นะมันก็จะเกิดกุศลอยู่เรื่อยๆนะใจเราจะเกิดกุศลในการรู้ทันและอกุศลมันก็ อยู่ในใจเราไม่ได้มันมันมาก็ดับไปทันทีเนาะตรงนี้เป็นเหตุให้เร า, าสู่นิโรธก็คือการดับทุกข์หรือพันิพานได้ในชาตินี้เนาะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรันนตรัยน้อมนบทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุกท่านเทอญ <c oughs> <c oughs> อรหั้งสมาสมุทโภพขวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสว่าข้าโตพักวตาธมโมธรรมังนามสซามิสุปฏิปันโนพักวโตสาวกะสังคโคสังขังนามามิ